เมื่อเช้าที่หลวงพ่อสอนให้นะบางคนมันรู้สึกยากไปแต่ก็พยายามเรียนเหาไวสำคัญถ้าเราต้องการบรรลุมรรคผลนผิพพานในชีวิตนี้ก็ควรจะเรียนเอาไว้ถ้าไม่ได้ต้องการมรรคผลแต่อยากอยู่กับโลกอย่างมีความสุข ก็มีธรรมะที่ระดับรองลงมาให้ถือสินห้าไว้แล้วก็คอยอ่านใจตัวเองบ่อยๆใจเราโลภขึ้นมาก็รู้ใจเราโกรธขึ้นมาก็รู้ใจเราฟุ้งซ่านใจเราหุนหูรู้ไปใจเราสุขใจเราทุกข์รู้ไปเรื่อยๆชีวิตก็จะมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นสะสมบุญบารมีไป แต่ถ้ายากได้มากได้ผลฝึกจิตให้ดีไม่มีอะไรนะที่จะเป็นที่รองรับธรรมะได้เหมือนกะตัวจิตจิตที่จะรับธรรมะได้ต้องทรงสมาธิอยู่เหมือนอย่างแก้วน้ำเนี่ยจะรองรับน้าได้แก้วก็ต้องนิ่งน ลงพิ่แกว่งแก้วไปแกว่งแก้วมานะไปหยอดน้ํามันไม่ลงแก้วสักทีลงก็ลงนิดๆหน่อยๆถ้าแก้วมันตั้งอยู่นิ่งๆใส่น้ําได้ใจที่สงบใจที่ตั้งมัน่นเหมือนที่รองรับธรรมะได้อย่างแก้วน้ําเนี่ยแต่จับมันนอนแต่แข็งอยู่เงนี้ยใส่น้ําไม่ได้นิ่งนะแต่ไม่ตั้งมัน่น นิ่งอยู่เฉยๆแต่ไม่ตั้งมัน่นก็ใส่น้ำไม่ได้จับมันนอนแบนๆแบบนี้นิ่งแล้วก็ตั้งมั่นอยู่อนี้ตรีรับธรรมะได้การฝึกให้นิ่งก็คือรรมารามโนปนิชานฝึกสมาธิให้จิตสงบความตั้งมั่นเกิดจากการฝึกลักขณูปนิชานฝึกให้จิตตั้งมัน่น วิธีฝึกให้จิตสงบไม่ยากง่ายที่สุดเลยน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์เดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องน้อมจิตไปไม่ใช่บังคับจิตนะน้ำหนักของคำไม่เหมือนกันน้อมไปใส่ใจสนใจไม่ใช่บังคับจิต่าต้องอยู่ในอารมณ์เดียวถ้าบังคับมันจะเครียดจิตจะไม่สงบ เพราะความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิถ้าไม่มีความสุขสมาธิไม่เกิดถ้าเครียดอยู่สมาธิไม่เกิดนะงั้นวิธีที่จะทําให้เกิดสมาธิชนิดสงบเนะี่ยง่ายๆเลยใช้ใจที่สบายๆใช้ใจที่มีความสุขไปรู้อารมณ์ที่มีความสุขอย่างต่อเ น, นื่อง อารมณ์นั้นต้องไม่ยั่วกิเลสนะเช่นดูรูปโป๊อย่างต่อเนื่องอนะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้ไม่สมบปรุงสันถามว่ามีความสุขไม่ตอนดูแมเก็รู้สึกมีความสุขไปดูรูปโป๊สาวสวยนะแต่อย่างนี้มันยั่วกิเลสทำสมาธิไม่ได้เอากรรมณ า, านที่มันไม่ยั่วกิเลสอย่างพุโทโธนี่ไม่ยั่วกิเลสธรรมโมสังโฆ หายใจออกหายใจเข้าเนี่ยไม่ได้เป็นไปเพื่อกิเลสหรือการดูร่างกายเราเองผมคนเล็บฟันหนังเนื้อกระดูกเนี่ยไม่ก่ว่าให้เกิดราคะโทสะขึ้นมาแต่ถ้าไปดูคนอื่นไม่ได้นะไปดูร่างกายคนอื่นผมเขาก็สวยมตาเขาก็สวยหนังเขาก็สวยผิวสวยสวยไปหมดเลยกิเลสเกิด ดูของตัวเองไปเรื่อยๆแล้วจะเห็นไม่สวยหรอกใจสลดทดหูสังเวชใจใจค่อยสงบหายซาหรือพิยารณาความตายนึกถึงความตายดูสิคนที่เรารู้จักตายไปเยอะแล้วอยู่มานานเท่าไหรน่นี่ยิ่งมีคนที่รู้จักตายไปมากขึ้นมากขึ้นวันหนึ่งเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นใจมันจะหายซา ใจไม่ซาไม่ใช่ไม่ใช่ซาบซาอะไรนะหมายถึงไม่รู้จะแปลว่าไงรู้จักไหมภาษาหลงพ่อชักไม่ได้ใจแล้วว่าคนแต่ละยุคเนี่ยภาษามันไม่เหมือนกันอย่างเด็กยุคนี้นะพูดว่าใจลอยไม่รู้จักนะเด็กจํานวนมากไม่รู้จักคําว่าใจลอยต้องบอกเม่อเมออะไรเงี้ยรู้จัก หลวงพ่อก็ต้องพยายามเรียนรู้ศัพท์สมัยใหมนะ่เวลาเรียนรู้ศัพท์สมัยใหม่ก็ตอนออกไปจากวัดเนี่ยไปเข้าห้องน้าไปเลยสาธารณะเนี่ยนะจะเจอศัพท์ใหม่ๆมากมายนะเรียนรู้หรือได้ยินเขาคุยกันได้ฟังบางครั้งไปฟังเด็กคุยกันไม่รู้ว่ามันพูดเรื่องอะไรรู้แต่มันพูดภาษาไทย มันพูดว่าอะไรไม่รู้เหมือนกับเพลงอ่ะหลวงพ่อฟังเพลงรุ่นสุเทพสวัลีนะรู้เด็กรุ่นใหม่บอฟังแล้วหลอนเด็กรุ่นใหม่ต้องฟังเพลงซึ่งหลวงพ่อฟังไม่ออกไม่รู้มันแหกปากว่าไงฟังไม่ออกจริงไม่ได้แกล้งนะแม้ว่าก็ไม่รู้ฟังไม่ออกเนี่ยภาษาสำเนียงอะไรไม่เหมือนกัน วิธีหลวงพ่อเลยต้องเรียนรู้จากพวกเราเหมือนกันว่าพวกเราสื่อแบบไหนถึงจะรู้เรื่องไม่ปล่อยให้ใจมันสู้ซ่าให้คอยรู้เท่าทันมันรู้ไปเรื่อยๆใจอยู่กับเนื้อกับตัววิธีให้ใจสงบก็คือใช้ใจที่สบายไปรู้อารมณ์ที่สบายสบาย รู้ไปอย่างสบายๆแา่มีแต่คำว่าสบายทั้งนั้นเลยใช้ใจที่สบายไปรู้อารมณ์ที่สบายรู้อย่างสบายๆตรงรู้อย่างเนียต้องสบายๆมีสบายสองเท่าเลยนะสบายอย่างถ้าหลวงพ่อจะทำสมาธิไม่ยากเลยเลยทำปุ๊บมันก็เป็นละนะเพราะอะไรเพราะใจมันมีความสุขอยู่แล้วไปรู้อารมณ์ ที่มันมียั่วกิเลสอย่างรู้ลมหายใจเห็นร่างกายมันหายใจด้วยใจที่มีความสุขนะไม่ต้องทำอะไรมันก็สงบของมันเองแต่ถ้าอยู่ๆเราจะไปเข็้นใจให้สงบใจไม่สงบเช่้นไปนั่งสมาธินะี่อย่าบอกให้มันสงบนะไม่ให้สงบหรอกยิ่งฟุ้งหนักกว่าเกา่า ทำใจสบายสบายรู้ไปอย่างสบายสบายนี่พวกเราเพอทําใจสบายใจเลยเพลินหนีไปเลยไม่รู้นี่ให้รู้พุดโธไปอย่างมีความสุขหายใจไปอย่างมีความสุขอย่างเนี้ยเดี๋ยวเดียวก็สงบอันนี้สมาธิสงบนะส่วนสมาธิชนิดตั้งมั่นสงบหมายถึงไม่ดิ้นอยู่กับที่เหมือนแก้วน้ําเนี่ย สงบอาจจะนอนอยู่ก็ได้หรือตั้งอยู่ก็ได้สงบอย่างเดียวมนอนเหมือนแก้วน้ําที่นอนอยู่เนี่ยรองรับธรรมะไม่ได้ใส่น้ําไม่ได้ถ้าแก้วตั้งอยู่ที่ด้วยแล้วก็ยังตั้งหงายรอรับอย่างเงี้ยตรงที่อาการที่ตั้งรอรับธรรมะได้เนี่ยตัวนนี้แหละตั้งมัน่นวิธีฝึกให้จิตตั้งมั่นก็คือทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งเหมือนตะกี้แหละ ไม่ได้ทําเพื่อความสุขความสงบอะไรหรอกทําแล้วคอยรู้ทันเวลาจิตมันเคลื่อนที่จิตมันเคลื่อนไหวจิตมันเคลื่อนไหวได้นะเดี๋ยวมันก็วิ่งไปทางตาเดี๋ยววิ่งไปทางหูวิ่งไปทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเนี่ยมันโคจรไปโคจรไปดูรูปทางตาโคจรไปฟังเสียงทางหูอะไรเงี้ยทางสบานทั้งห้า ตัวรูปเสียงกลิ่นรสโพธพภะคือสิ่งที่สัมผัสร่างกายเนีเลยมีชื่อเรียกตัวรูปตัวเสียงตัวกลิ่นตัวรสตัวสิ่งที่สัมผัสร่างกายสิ่งเหล่านี้เป็นรูปธรรมเป็นตัวรูปมีทั้งหมดเจดตัวตัวรูปที่ตามองเห็นคือสีตัวเสียงหูได้ยินตัวกลิ่นที่จมูกรับรู้ตัวรสที่ลิ้นรับรู้ ที่สัมผัสทางกายเนี่ยมีสามัญความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งความตึงความไหวนะมีอยู่สามคู่ก็คือธาตุดินธาตุไฟธาตุลมนะเนี่ยรู้ได้กายรูปที่รู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายเนเลยมีชื่อเรียกว่าโคจรรูปโคจรโคจรรูป ถ้าจิตมันโคจรไปรับรู้รูปทางนี้เลยเรียกรูปที่เป็นที่โคจรของจิตนะไม่ต้องเรียนเยอะอย่างนี้เล่าให้ฟังเล่นๆสังเกตไห้จิตเราโคจรทั้งวันจรไปดูจอนไปฟังจอนไปดมกลิ่นจอนไปลิ้มรสจอนไปรู้สัมผัสที่ร่างกายแล้วยังจรไปทำใจได้ด้วยใช่ไหมจอนไปทางใจได้ด้วย จนไปทางใจจรนไปทำอะไรจรนไปคิดส่วนใหญ่คือจรนไปคิดพอไปคิดแล้วก็จรนไกลไปียิ่งกว่าเก่าอีกจอนไปอดีตจรนไปอนาคตเนี่ยร่อนเร่พาเนจจอนไปเรื่อยๆจิตที่ร่อนเร่พาเนจจอนเนี่ยรับธรรมะไม่ได้น้องจิตที่ตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวอยู่สบายๆอยู่สงบ สบายตั้งมั่นก็มีจิตใด น, นี้ถึง่าเป็นจิตที่พร้อมสำหรับการเจริญปัญญานะจะรองรับธรรมะนะรองรับความจริงได้แต่ถ้าอยากอยู่กับโลกยังมีความสุขมากกว่าคนธรรมดา น, ดนิดนิดหน่อยๆน่อยนะถือศีลห้าไว้ทุกวันไว้พาสวดมนต์ไว้อย่าทำผิดศีลผิดธรรมแล้วก็ค่อยรู้ทันใจของตัวเองไปเรื่อย que. สุข ก, ก็รู้ทุกข์ก็รู้ดีก็รู้ช่วก็รู้สะสมบุญบา ร, รมีไปชีวิตก็จะมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นนะแล้วเวลาต่อไปชาติต่อต่อไปก็ค่อยก ล, กลับมาฝึกให้จิตตั้งมัน่นแล้วค่อยบรรลุธรรมสุดท้ายก็ต้องฝึกให้จิตตั้งมัน่นจะฝึกซะชาตินี้หรือจะรอชาติต่อตอไปก็เอานะบางคนรอนานเพราะไปบนหยุดในอวีจีนะมันไม่ใช่ว่าเป็นคนได้ทุกชาตินะ คนที่ตายแล้วเกิดเป็นคนมีไม่มากนะมีไม่มากไปที่อื่นซะเยอะอย่างพวกเราคงไปสวรรค์กันสนใจธรรมะใจบุญสุนทานคงไปขึ้นสวรรค์กันแล้วพอขึ้นสวรรค์ก็เพลินไปจนกระทั่งหมดอายุขัยตายลงมาอย่านึกว่าจะเป็นคนนะร <c oughs> ับบุญไปแล้วต่อไปก็รับบาปบ้างรับผลของกรรมบ้าง ก็ไปอบายเางเวียนวัตตามันถึงยาววัตตานี่ยาวนานแสนไกลพระนนท์นะท่านเคยพูดถึงตัวท่านเองว่ามีสมัยโบราณ น, นานมากแล้วนะท่านไปทำบุญกับพระปัจเจกพับพุทธเจ้าวงหนึ่งยุคนั้นไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีสัมมาสัมพุทธเจ้า ไปทำบุญกับพระพเจกกับพุทธเจ้าแล้วก็ตั้งใจอธิษฐานขอบุญนี้นะทำให้เกิดมานะรูปหลอ่อทุกชาติขอให้รูปหลอ่อแปลกดีไหมใครทำบุญแล้วขอสวยบ้างมีไหมยกมือสิสารภาพมาไม่ต้องอายนี่มีเห็นไหมมี ม, มีฟังไว้นะฟังเรื่องพระอานน์ไว้นะยังมีอีกแต่ไม่ยอมบอก เขินขอสวยขอหล่ออะไรอย่างนีอยากอยากมีอย่างนี้ะนอน์ก็ขอพอตายอยากชาตินั้นนะท่านก็เป็นคนบ้างเป็นสัตว์บ้างเป็นสัตว์ก็เป็นสัตว์รูปลอเนะเป็นคนก็เป็นคนรูปลอเนี่ยบุญส่งมาเกิดเป็นคนรูปลอคราวนี้ยไม่ได้มีศีลมีธรรมจริงพอรูปลอแล้วใช้ความหลอ่อ ในทางไปเป็นชูกับเมียชาวบ้านไปเป็นชูกับเมียชาวบ้านท่านบอกว่าถัดจากชาตินั้นเนี่ยท่านตกนรกสิ้นการเวลานานมากขึ้นจากนรกนะมาเป็นอสุรากายมาเป็นเปรตมาเป็นอะไรนี่ค่อยๆเลื่อนขึ้นมาใช้เวลานานเนี่ยเพราะรูปหล่อนะทำผิดทีเดียวตกนรกตั้งนานพ้นจากนรกขึ้นมาก็ยังเป็นสัตว์อยู่ในอับบาย จกระทั่งมาเป็นมีอยู่ชาติหนึ่งมาเป็นบัวเป็นบัวรูปหลอเวลาเจ้าของเทียมเกวียนพาไปไหนมาไหนเนี้ยบัวตัวเมียจะวิ่งตามพันหน้าพันหลังนะบัวตัวผู้ก็หยุดเดินหันมายิ้มแย้มทักทายแลบลิ้นไปมาอะไรเงี้ยนะทักกันเจ้าของโมโหจะรีบเดินทาง ไอ้บัวตัวนี้ก็มัวแต่จีบสาวสาวก็มาให้จีบเต็มไปหมดเลยเพราะมันหล่อเลยจับตอ น, นท่านบอกท่านถูกตอนนับชาติไม่ถูกเลยเกิดมาทีไรก็โดนตอนไปเรื่อยถ้าเป็นสัตว์นะเพราะรูปหล่อเกินไปสุดท้ายกลับมาเป็นคนอีกพอมาเป็นคนนะท่านก็เกิดเป็นผู้หญิงเกิดเป็น เกรู้จักไหมเกเดี๋ยวนี้ยังมีไหมหมดไปยังนึกว่าเปลี่ยนชื่อเหมือนยาม้าเมื่อก่อนมียาม้าหมดไปแล้วในประเทศไทยไม่มีมีแต่ยาบ้าเนี่ยท่านเป็นเกอ ย, อยู่หลายชาติ่าจะกลับมาเป็นผู้ชายที่สมบูรณ์นะเนี่ยเพราะความผิดครั้งเดียวนะใช้เวลานาน เงินกว่าที่พวกเราจะพัฒนาตัวเองมาถึงจุดนี้ได้เนะี่ยใช้เวลานานมากนะงั้นเราเป็นมนุษย์มีตาหูจมูกลิ้นการใจสมบูรณ์ไม่บ้าใบาบอดหนวกนะมีโอกาสเจอสัตบุรุษอย่างเจอครูบาอาจารย์มีโอกาสได้เข้าใกล้อย่างนี้ถือว่าได้เข้าใกล้แล้วนะถึงนั่งข้างนอกห้องก็เรียกว่าเข้าใกล้มีโอกาสได้ฟังธรรมะเรือนเดียวเอาธรรมะไปปฏิบัต ปฏิบัติทำให้สมควรกระทำเราจะได้ลดความเสี่ยงในการที่จะเวียนว่ายไปในอบายสวยเกินไปไม่ดีหล่อกเกินไปไม่ดีนะรวยเกินไปก็ไม่ดีนะไม่ทำบุญขอรวยเยอะๆคนรวยทำบาปก็ทำได้สาหัสนะทำดีก็ทำได้มากทำผิดก็ทำได้มากขอฉลาดขอเก่งคนเก่งทำดีก็ทำได้เยอะนะทำชั่วก็ทำได้เยอะ ขอเป็นคนดีขอให้ได้ธรรมะตั้งใจอย่างนี้ถ้าจะขอนะขอให้ได้มรรคผลนิพพานเอาวันเดียวพอละส่วนอันอื่นเป็นของแถมเวลาเรามุ่งไปสู่มรรคผลนิพพานเนี่ยเราก็ทําทานถือศีลอะไรเงี้ยมันสวยรวยเก่งเองแหละไม่ต้องเรียกร้องหรอกไม่ต้องขอขอไงก็ไม่ได้อย่างบางคนเกิดมาแล้วหน้าตาน่าเกลียดใช่ไหมแต่มีเงินเนี่ยอยากสวยก็ยังไปเกาหลีได้ สิ่งเหล่านี้เป็นผลของบุญนะส่งผลมาบางทีมีอํานาจคนมีอํานาจเนี่ยเวลาทําชั่วทําได้เยอะไหมฮิตเลอร์ทําคนตายตั้งหลายล้านนมีอานาจเงั้นอย่าไปตั้งความปรารถนาไปเลยขอสวยรวยเก่งขอมีอํานาจขออย่างนั้นขอยี่นะขอให้มีคุณธรรมให้ได้ธรรมะให้พบธรรมะให้เห็นธรรมะ แล้วสิ่งอื่นมันตามมาเองเอต่อไปใครจะส่งกันบ้านยังไม่มีจิตผู้รู้ที่มีคุณภาพอะค่ะอืมไม่มีก็สร้างขึ้นมาพัฒนามั น, นทำกรรมฐานนั่นนึงแล้วคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปไหลามาส่วนใหญ่หลงไปคิดให้รู้ทนจิตมันก็ไม่ค่อยมีความสุขด้วยค่ะอืม นะไม่มีความสุขก็ฝืนใจมันเลยพุโทโธไปฝากเป็นฝากตายไว้กับพุโทโธอา้าวใครจำเป็นขอที่จำเป็นนะคุยเล่นๆอย่าเอาเลยเสียเวลาเวลาส่งกันบ้านหลวงพ่ออย่าพูดยาวนะที่จริงไม่ต้องพูดหลวงพ่อก็ตรวจกันบ้านได้แต่ว่าพูดสัดหน่อยเขาจะได้อัดเสียงอา้าว ลูกอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสลูกฟังหลวงพ่อมาสิบกว่าปีแล้วและลูกปฏิบัติในลาวสามปีอย่างจริงจังลูกอยากรู้ว่าลูกทําจิตได้ถูกต้องหรือเปล่าถูกถูกนะไปทําอีกนะสังเกตไหมจิตเราเปลี่ยนไปละใช่ไหมมันตื่นมันรู้มันตื่นเมื่ีมก็มีความสุขผุดขึ้นมาแล้วเวลาสภาวะอะไรผ่านมาก็มองเห็นอย่างสุขทุกข์เกิดขึ้นเราก็รู้ ดีชั่วเกิดขึ้นเราก็เห็นอย่างเงี้ยฝึกไปเรื่อยๆฝึกถูกแล้วล่ะที่จริงหลวงพ่อเกือบจะไม่เรียกนะตอนที่ยกป้ายอ่ะพดูแล้วไม่ได้มีปัญหาน <c oughs> คนนี้มีปัญหาอย่างติดเพ่งอยู่ค่ะาวาไป ทุกวันนี้ก็พยายามถือสินห้าค่ะแล้วก็ปฏิบัติรูปแบบทุกวันแต่ก็รู้สึกว่าตัวเองค่อนข้างฟุ้งเยอะและคิดเยอะมากค่ะก็ยังรู้สึกไม่ไม่ค่อยสงบถ้าเราเคยฝึกเพ่งมานะพอเลิกเพ่งมันจะฟุ้งนะมันคิดออกเบี้ยเราเราะฉะนื้นทนไปคทํากรรมฐานไปเรื่อยใจฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบอยากสงบรู้ว่าอยากนะ ฝึไปได้ทําทุกวันก็พุโทโธไปเออพุดโธไปเรื่อยๆขอให้คถามหนึ่งคะ่ะคือหนูทํางานในใสายงานที่เหมือนเ อ, อไม่สัมคือมันไม่สามารถจะพูดความจริงได้ทั้งหมดอะคะ่ะเลยไม่แน่ใจว่าหนูแบบตรงนี้คือผิดศีหรือเปล่าตั้งใจว่าเราทําหน้าที่ค่ะนะตั้งใจว่าทําหน้าที่รู้ว่าอันนี้ไม่ถูกค่ะนะแต่ถือว่าทําหน้าที่อยู่กรรมตัวนี้จะลดลงค่ะนะถ้าทําด้วยความยินดีพอใจ ในการทำบาปนะํากแรงะรการคร่ะเคยมีผู้หญิงคนหนึ่งนะเป็นเมียนในพรานผู้หญิงคนนี้เป็นพระโสดาบันนะทุกเช้าเนี่ยมีหน้าที่ส่งธนูส่งมีดให้สามีไปล่าสัตว์ถ้าไม่ฉลาดก็จะคิดว่าแม้เราสนับสนุนให้สามีไปฆ่าสัตว์อันนี้บาปเต็ม ผู้หญิงคนนี้วางใจไว้อย่างเดียวล่ําทําหน้าที่ของภรรยาซัพพอร์ตสามีไม่ใช่เพื่อให้สามีไปฆ่าสัตว์นะไม่ได้คิดไปตรงนั้นกรรมเนี่ยแตกต่างกันมากเลยอยู่ที่ใจอยู่ที่เจตนาแต่ไม่ใช่เจตนาจะฆ่าสัตว์แต่แกล้งพูดว่าสักแต่ว่าทําสักแต่รูปสักแต่เห็นแต่ใจอยากให้สามีฆ่ามาเยอะๆอะไรอย่างเนี้ อย่างนั้นไม่ได้สักแต่ทําหน้าที่แต่ว่าวันนี้ขอไก่สักตัวนะอย่างเงี้ยอย่างนี้โดนเต็มๆนะกลับนม <ะ S 1> ัตการหลว ง, งพ่อครับ ม, ม, มาครั้งแรกครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมปฏิบัติเราไม่ไม่ค่อยเจริญก้าวหน้าครับทั้งที่ทําอยู่มันก็เจริญขึ้นเยอะแล้วนะอจะเอาอะไรมาก <laughs> อย่าอยากเร็วยิ่งอยากเร็วยิ่งช้า ดูของเราไปเท่าที่เป็น ร, รู้เท่าที่รู้ได้รู้บ่อยหน่อยเท่านั้นแหละแล้วก็ไม่ยอมทำผิดศีลนะตั้งใจรักษาศีลไปแต่รู้สึกว่าจะมีความกังวลเยอะครับหลวงพ่อเออกังวลก็เป็นสภาวธรมรมก็เห <c oughs> ็นว่าจิตกังวลกังวลไม่ใช่จิตไปดูเรื่อยๆนะกังวลไม่ใช่จิตหรอกเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เขา้า แ้วผมชอบพุทธโธ ร, รู้รู้กายแล้วก็รู้ลมหายใจครบไปเลยท<อ>ุกไม่ใช่ใช่ทำไปพุทธโธไปเพื่อเห็นร่างกายหายใจ <Okay. S 2> นะหายใจเข้าพุทหายใจออกโทอะไรก็ทําไป <Okay. S 2> แต่ว่าจุดสําคัญคือทําแล้วรู้ทันจิต <Okay. S 2> นะพุทธโธไปหายใจไปแล้วจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทัน <Okay. S 2> จิตฟุ้งซ่านรู้ทันจิตสงบรู้ทันหารู้จิตไปเรื่อยๆ <Okay. S 2> นะไม่ได้จิตก็ไม่ได้ธรรมะสักทีแหละก็ <Okay. S 2> วนอยู่ในกาย okay. บคุณคัเรารู้กายนะเพื่อจะวันหนึ่งเราจะได้เห็นจิตนะรู้จิตเพื่อจะได้เห็นธรรมธรรมากเกิด ท, ที่จิตหลวงพ่อเคยถามหลวงปู่ดุลบอกเนียผมไปวัดต่างๆได้ยินครูบาอาจารย์องค์โน้นองค์นี้เยอะแยะเลยท่านสอนสอนคนอื่นนะเราไปได้ยินเขาสอนเวลาเทศรวมๆเยี้ยสอนพุทธโธพิจารณกาย หลวงพ่อเองกับหลวงปู่ดูเนีไม่เคยพิจารณาไก่เลยไปถามหลวงปู่หลวงปู่ครับผมจะต้องกลับไปพิจารณาไกไ่ไหมหลวงปู่มองหน้าหลวงพ่อน้สายตาแบบสังเวชอ่ะถามอะไรที่โง่โง่แต่ท่านไม่ว่านะท่านกลัวเราโง่จริงวาจาท่านน่ากลัวที่สุดเลยะบารมีท่านเยอะพูดแล้วเป็นอย่างนั้นท่านมองหลวงพ่อแบบสังเวชใจ มาถามได้ว่าจะต้องกลับไปดูกายไหมท่านก็เลยสอนบอกว่าที่เขาดูกายนะเพื่อให้เห็นจิตก็เมื่อถึงจิตถึงใจแล้วจะเอาอะไรกับกายกายเป็นของทิ้งมันไม่ต้องรอตอนตายแล้วทิ้งนะตอนที่เรามาดูจิตเนี่ยเราก็ทิ้งกายได้แล้วเข้ามาที่จิตส่วนร่างกายจะเคลื่อนไหวยังไงจิตเป็นคนสั่ง ด, ดูที่ตัว สั่งการนี้แหละมันรู้กายโดยอัตโนมัติไปแล้วไม่จำเป็นต้องไปฟลอดเฝ้าดูกายหรอกอย่างพวกเราถ้าเจริญสติมากๆนะนอนหลับอยู่เนี่ยเราพลิกซ้ายพลิกขวาเรารู้ตัวหมดเลยนะไม่ใช่แบบไม่รู้เรื่องอะไรสติมันทำงานได้แร่ทั้งตอนหลับกราบนมัส ก, การหลวงพ่อเจ้าค่ะ ลูกมาครั้งที่สองส่งกันบ้านในรอบปีเจ้าค่ะแล้วลูกจะอยู่ที่ไหนฮะครั้งนี้เจ้าค่ะยกมือยกมืออ่อวาไปอา้าวลืมไปเลย <c oughs> ที่ลูกปฏิบัติอยู่พอใช้ได้ไหมเจ้าค่ะพอใช้ได้ตื่นเต้น <c oughs> อยู่รู้ไหมเจ้าค่ะรู้เจ้าค่ะจิตกว้างๆว้างนิ่งนิ่งกว้างกวางอยู่รู้ไหมเจ้าค่ะมองเห็นไหม ตนนีจิตไม่เข้าฐานดูออกไหมเจ้าขาเออถ้าดูออกก็ใช้ได้จิตหลงไปคิดแล้วทราบไหมเจ้าขาเออเจ้าขาอย่างเงี้ยใช้ได้ไปดูต่อดูไปเรื่อยๆาาเราจะเห็นว่าบางช่วงจิตใจก็จเจริญมีสติบ่อยมีความสุขมีความสงบบางช่วงจิตใจก็ฟุ้งซ่านไม่มีความสุขไม่มีความสงบ ดูไปเรื่อยจนมานหนึ่งปัญญามันเกิดจิตใจนี้เป็นของไม่แน่นอนนะบังคับอะไรก็ไม่ได้ไม่เที่ยงเจ้าค่ะดูเรื่อยๆไปเออหลวงพ่อเจ้าคะ่ะคือตอนนี้มันบางครังมันเหน่วนทุกข์มากเจ้าค่ะอื ม, มันเหนืองมันทุกข์เรื่ออะไรอยู่ๆมันทุกข์เองเลยเจ้าค่ะเอออย่างนั้นดีดูไปเจ้าค่ะนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรหรอกมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยเจ้าค่ะดูเรื่อยๆ บางครั้งลูกเหมือนคนเสียสติไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนมันพุกอยู่กับพุทธโธลูกดูลมหายใจเจ้าค่ะหลวงพ่อระวังนะเวลาดูลมของคุณอนะ่ะมันชอบถล่มลงไปที่ลมอย่าให้มันจมลงไปในลมจ ะ, ะดูลมก็ได้แต่เห็นร่างกายมันหายใจใจเป็นคนดูไอย่าให้ใจจมลงไปในลมสังเกตเอาจิตใจเราฟุ้งเก่งดูออกเปล่า ดูออกเจ้าค่ะเฉยๆไหม้กิเลสเราแรงม า, านาตาแรงดูออกไหมกู เ, <ร>เก่งออกตัวเนี้ยดูดูออกเปล่าเจ้าค่ะเออถ้าดูออ ก, กอาการไม่หนักหรอกเจ้าค่ะถ้าดูไม่ออกแล้วอาการหนักเลยไปดูเอารู้เท่าทันกิเลสของตัวเองไปอย่าให้มันมาบงการความรู้สึกนึกคิดนะรู้ทันมันไปกิเลสอะไรเกิดก็รู้ทันไปอย่างมานาตาเ น, นี่มันซ่อนอยู่ทุกความคิดทุกการกระทาทุกคําพูด ไม่เฉพาะคุณหรอกนะเป็นทุกคนแหละแต่มากก่บ น, น้อยเท่านั้นแหละเวลาเราคิดนั้นเลยจะคิดแบบเข้าข้างตัวเองโดยอันตโนมัติเละเจือมานาตาลงไปเวลาพูดก็เจือมานาตาลงไปบางทีพูดสุภาพนะแต่มันเจือมานัาตาลงไป แ, แกล้งทาสุภาพเนอย่างเงี้ยมันมีแกล้งทาให้ดูดนะีการกระทำทั้งหลายมันก็เจือมานาตาลงไป สังเกตไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งเราจะได้ชนะมันซะบ้างเจ้าค่ะนะบางครั้งเหมือนเขาเดินปัญญาเองเจ้าค่ะหลวงพ่อเหมือนเขาแบบยังจิตเราฟุ้งซ่านยังไม่เดินหรอกออน ะ, ะไปฝึกจิตให้ตั้งมัน่นแล้วก็เขาจะเห็นไตรลักษณ์นะดีใจรู้ว่าดีใจนี่ไม่ส่งันบ้านมาหลายปีแล้วมัง กลับนมสัส ก, การค่ะหลวงพ่อค่ะหนูมาส่งกันบ้านในรอบสิบเดือนค่ะสิบเดือนเหรอค่ะอืมค่ะพูดดังๆนิดนึ่งนะค่ะที่ผ่านมาคือหนูก็พยายาม เ, าเรียนรู้จิตใจอะค่ะเราก็บางทีคิดว่าตัวเองรู้แต่ว่าพอบมบนดูอีกทีนึงก็เห็นว่าเราหลงไปกับ ห ล, หลงไปอะคะ่ะมันไม่ใช่การรู้จริงๆอะคะ่ะหลวงพ่อ <c oughs> ก็รู้เป็นช็อตๆไปค่<ฮ>ะรู้ไปเรื่อยๆดูสภาวะไปเรื่อยๆ <ฮะ S 1> ที่ฝึอกอยู่นะใช้ได้อยู่แต่จิตมันไม่ตั้งมั่นถึงฐานทีเดียว <ฮะ S 1> ขณะนี้ยดูออกไหมจิตไม่ถึงฐานไม่ตั้งมั่น<ฮ>ะน ะ, <ฮ>ะถ้ารู้ก็ไม่มีปัญหารบกวนให้หลวงพ่อช่วยแนะนําค่ะอย่าประคองจิตให้นิ่ง อย่ารักดีปัญหาของนูคือรักดีเกินไปดูกปล่าเพราะรักดีแล้วมันก็อยากจะทำให้ดีใช่มมีความอยากเกิดขึ้นจะทำให้ดีแล้วก็หวังจะได้รับผลจากการจะทำอันนี้ตัวโลภนะให้เรารู้เท่าทัานใจของเราไปเรื่อยๆใจเราอยากดีก็รู้ใจอยากสุขอยากสงบก็รู้อยากได้มากได้ผลก็รู้ ใจเรามีความอยากอะไรเกิดขึ้นรู้ทันมันไปเรื่อยๆรู้ไปสบายๆดูความอยากที่เกิดที่ใจนะดูไปเรื่อยๆความอยากของหนูนุ่มนวล น, นะมันประนีตนะมันไม่ได้หยาบชงช่างนะพอจะดูได้ดูไปที่ใจอยากความอยากเกิดขึ้นเรารู้ความอยากดับไปก็รู้ดูเรื่อยๆไปค่ะขอบคุณค่ะ หนูปกติเพ่งมาตลอดเลยค่ะทีนี้ระยะหลังคิดว่าน้อยลงแต่ว่าถูกน้อยลงแล้วหนูพยายามหาวิหารธรรมแต่ทำอะไรมันก็จะแบบพอถึงเวลามารู้ตัวว่ามีปัญหาตรงที่ไปอรารวาสตลอดเลยค่ ะ, ะก็เลยคืออารวาสคือเวลาพอใช้วิหารธรรมอะไรเนี่ยก็จะมีปัญหาว่าโทสะมันจะแรงก็เลยหนูใช้ รู้จิตไปอย่างนี้เนี่ยมันจะหย่อนยานไปไหมคะบริกรรมไปด้วยเมตตาคุณังอรหังเมตตานะบริกรรมไปเรื่อยๆสงบก็ช่างฟุ้งซ่านก็ช่างทำไปเรื่อยๆทำไมทำกรรมฐานแล้วโทสะแรงรู้ไหมอยากดีใช่ัหมคะเพราะเราไปเพง่ง เ, เราไปเพง่งเราไปบังคับจิตให้นิง่งนะถ้าบางับางคับจิตอยู่เพ่งจิตอยู่เนี่ยพอหมดแรงที่จะเพง่งมันจะระเบิดออกมา มันจะคิดตอกเบียเรามันเหมือนเราต้มน้ําใช้กาต้มน้ําแบบโบราณอนะแล้วเราไปอุดรูหมดเลยที่จะระบายไอ้น้ําอุดไว้หมดเลยต้มไปเรื่อยๆเดี๋ยวหม้อน้ําก็ระเบิดเองอนะแล้วหนูดูลมหายใจเนี่ยมันจะไปติดเพ่งอีกไหมคะควรทํารือป่าเป็นนะเป็ น, น, ปนสวดมนต์ในใจไปเมตตาคุณังอรหังเมตตาสวดไปเรื่อยๆนะใจจะได้คลายออก เพ่งแรงไปมันก็ดูเดือดหน่อยเป็นธรรมชาติงันรูปแบบหนูใช้นั่งบริกรรมใช่ไหมคะใช่บริกรรมไปพอไปใช้ลมแล้วไปเพ่งลมนะเพ่งจนนิ่งเพ่งลงไปองี้พอหลุดออกมามันร้ายแล้วเดินจงกรมได้ไหมคะเดินได้ทาได้ทุกอิริยาบถแต่บริกรรมไปเรื่อยยกเว้นตอนข้ามถนนนะตอนข้ามถนนไม่ต้องบริกรรมหรอกหันซ้ายหันขวาดูไป อมาส ก, การขหลงพอ่อมาครั้งแรกค่ะใช้ได้อยู่รู้<อ>สึกไหมว่าจิตเราเปลี่ยนไปครับเปลี่ยนนะคะทําถูกแล้วนะค่ะมีเพิ่มเติมไหมคะไปทํำอีกค่ะเพิ่มเติมคือทําอีกทําถูกแล้วทําบ่อยๆนะเขาเรียนทำมาหลวงพ่อประมาณหนึ่งปีครับอยากจะขอคําแนะนําจากหลวงพ่อครับืเรียนมาปีหนึ่งแล้ว เ, เห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองไหมล่ะ เห็นครับนั่นแหละเห็นก็ดีแล้วเราดูไปเรื่อยๆนะความเปลี่ยนแปลงนี่เกิดขึ้นตลอดเวลาไม่ใช่ว่าปีหนึ่งถึงจะเปลี่ยนทีหนึ่งในแต่ละวันเนี่ยจิตใจของเราไม่เคยเหมือนกันเลยวันนี้กับเมื่อวานใจเราก็ต่างกั น, นแล้วก็ในวันเดียวกันใจเราก็เปลี่ยนแปลงเช้าสายบ่ายเย็นใจเราก็ไม่เหมือนกัน นี่เราค่อยๆ ห, หัดดูไปเรื่อยเราเห็นแต่ว่าจิตใจนี้เป็นของที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเรียนรู้ลงไปเรื่อยๆนะจนว่าทั้งวันหนึ่งเนี่ยใจมันยอมรับความจริงว่าจิตสุขก็ไม่เที่ยงจิตทุกข์ก็ไม่เที่ยงจิตทุกชนิดไม่เที่ยงไม่คงที่พอเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยความหิวโหวยในความสุขความเกลียดชังในความทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้น มันดูลงไปเรื่อยๆเลยจิตสุขก็ไม่เที่ยงจิตทุกข์ก็ไม่เที่ยงจิตแบบไหนก็ไม่เที่ยงดูอย่างนี้ซ้ําๆไปเรื่อยๆนะแล้วทุ ก, กวันก็แบ่งเวลาทําในรูปแบบทํากรรมฐานสักอันหนึ่งแล้วคอยรู้ทนันเวลาจิตมันหลงไปคิดไปอะไรหรือหลงไปเพ่งมันหลงได้สองอันหลงไปคิดกับหลงไปเพ่งเช่นรู้ลมหายใจแล้วจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจเงี้ยหรือขยับมือแล้วจิตไปอยู่ในมืออย่งางนี้หลงไปเพ่งอีกอันหนึ่ก็หลงไปคิด ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วจิตหลงไปคิดก็รู้จิตหลงไปเพ่งก็รู้แบ่งเวลาไว้วันหนึ่งสักยีนาทีส่วนเวลาที่เหลือเนี่ยอยู่ในโลกข้างนอกเนี้ยเราเห็นนะใจมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาพอตามมองเห็นใจก็เปลี่ยนหูได้ยินเสียงใจก็เปลี่ยนใจมันไปคิดใจก็เปลี่ยนนะเห็นความเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช้ได้ เขาเมื่อคืนเห็นทุกข์กับโทระแต่มีอมีจิ ต, จตอีกตัวหนึ่งจะหัวเราตัวเองว่าโง่มากเราสบายมากแต่ตัวตัวเองยังยังยั ง, ยงทุกข์อยู่เขากลัวว่ามีผีแน่งกับเขาหรือว่าเขาบ้าแล้วครับไม่ใช่ผีไม่ใช่บ้าหรอกนะแต่ใจมันยังฟุ้งซ่านอยู่ใจของเราเองแหละ ใจมันพูดพูดพูดไปนะแล้วมันก็เกิดใจอีกคนหนึ่งเป็นตัวรู้จิตเนี่ยมันเกิดดับต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆจิตที่พูดมันก็ตัวหนึ่งนะจิตที่รู้ว่ากาลังฟุ้งซ่านจิตกาลังไปพูดน้นพูดนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งจิตเนี่ยเกิดดับต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไม่ใช่ผีสางที่ไหนมาซ่อนนะไม่มีอย่าไปกลัวผี ให้คอยรู้ทันใจของเราไปใจสงบก็รู้ใจฟุ้งซ่านก็รู้ดูแค่นี้พอละวันนี้ใจสงบก็รู้วันนี้ใจฟุ้งซ่านก็รู้นะแต่ละวันแต่ละเวลาจิ 1, ต 1, ใจเราเดี๋ยวก็สงบเดี๋ยวก็ฟุง้งซ่านเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์ดูไปเรื่อยๆอย่างนี้ดูสบายๆไม่ต้องไปปรุงแต่งว่าจะต้องมีความสุขไม่ต้องไปปรุงแต่งว่าต้องมีความสงบ ไม่ต้องไปปรุงว่าจะต้องดีตลอดเวลาอะไรก็ได้ทุกอย่างล้วนแต่สอนธรรมะเราเท่าเทียมกันทั้งหมดสุขหรือทุกข์ดีหรือชั่วสงบหรือฟุง้งซ่านสอนธรรมะบทเดียวกันคือสอนว่าทุกอย่างไม่คงที่ทุกอย่างไม่เที่ยงนะเราเฝ้าดูไปจนกระทั่งใจมันยอมรับความจริงว่าทุกอย่างในชีวิตเราเป็นของไม่เที่ยงมีแล้วก็หายไปมีแล้วก็หายไป อย่างนี้พอใจเรายอมรับความจริงตรงนี้ได้ต่อไปไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเราเราจะไม่ทุกข์มากเพราะใจมันยอมรับความจริงได้อย่างคนที่เรารักตายไปเนี่ยใจมันยอมรับความจริงได้มันเป็นเรื่องธรรมดาทุกอย่างเป็นธรรมดาที่ว่าเกิดแล้วต้องดับไปใจมันยอมรับธรรมดาได้เมื่อมันหัดดูบ่อยๆดูใจของตัวเองบ่อยๆให้เห็ <im> <repertoire> นว่าทุกอย่างมันเกิดแล้วก็ดับไปเปลี่ยน เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนำ้ำมศการครับหลวงพ่อครับลงการบ้านครั้งสุดท้ายหลวงพ่อบอกว่ายัางยังเพ่งอยู่ครับแล้วหายยังตอนนี้รู้สึกว่ามันน่าจะเบาลงแล้วบเบาลงแล้วแคใช่แหละแล้วเห็นไหมจิตใจเราเปลี่ยนแปลงทั้งวันออพอเห็นบ้างครับเออดูไปไปเรื่อยๆนะ ดูความเปลี่ยนแปลงของใจไปเรื่อยๆไม่ใช่ดูให้ใจสงบนะครับดูความเปลี่ยนแปลงของเขาไปเรื่อยๆเดี๋ยววันหนึ่งก็จะเข้าใจว่าทุกอย่างช่วคราวทุกอย่างบังคับไม่ได้ทุกอย่างไม่ใช่ตัวเรานะดูไปแต่จิตไม่ถึงฐานนะครับดูออกไหมตอนเนี้ยยังดูไม่ได้ออกเท่าไหร่มันมันวิ่งไปหาหลวงพ่อแล้วป่าใช่มันวิ่งออกมาข้างนอกหลวงปู่ดูลบอกว่าอย่าส่งจิตออกนอกส่งจีตออนอกคือจิตมันวิ่งไปทางตา ทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายวิ่งไปทางใจก็ได้ะเรียกว่าออกนอกทั้งหมดเลยถ้าจิตมันวิ่งไปมันเคลื่อนไปเรื่องจิตออกนอกนั้นทําไงจิตจะไม่ออกนอกทําไม่ได้หลวงปู่ดูลบอกว่าจิตมีธรรมชาติส่งออกนอกนเพราะมันส่งแล้วเรามีสติรู้ทันว่าตอนเนี้ยมันไปดูตอนนี้มันไปฟังตอนนี้มันไปคิดตอนที่มันไปคิดเนี่ยเดี๋ยวมันก็เกิดสุขเกิดทุกข์แล้วก็มีสติรู้ เกิดสุขเกิดทุกข์ไม่รู้มันจะเกิดดีเกิดชั่วขึ้นมานค่อยรู้ออกตอนนั้นก็ยังได้ค่อยๆเรียนไปหลวงพ่อครับมึงบางทีมันมีเหตุการณ์เกิดในครอบครัว อ, อย่งเงครับซึ่งบางทีมันก็เป็นเรื่องที่ปกติที่เราเคยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแต่บางครั้งมันทําไมมันรู้สึกว่าเอ๊ะทำให้เรารู้สึกเช่นหลานเขามีประเหตุเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคือทุกคนมันจะวุ่นวายไปหมดทั้งบ้านเนี้ยแบบ เราเราจะรู้สึกว่าสังสารวัตรเนี่ยมันน่ากลัวไม่รู้ว่ามันคิดเองหรือว่ามันเป็นบัญญัติที่เกิดขึ้นอย่างนีครับเราภาวนาเรื่อยๆนะเราจะรู้โลกนี้กระเพื่อมไหวอยู่ตลอดเวลาหาสาระแก่นสารไม่ได้เลยแล้วคนในโลกนี้นวนเวียนอยู่กับอะไรที่งมงายไร้สาระนะใจเราจะเบื่อหน่ายคลายความยึดถือออกไปเองนะเป็นธรรมชาติเมืภาวนาแล้วไม่เห็นอย่างนั้นเล จะใครความยึดถือออกไปจะเบื่อรู้สึกไหมโลกนี้ไม่มีอะไรเราไม่ได้เบื่อคนนี้คนนี้นะแต่เราจะเบื่อภาพรวมของโลกทั้งโลกเลยครับบางครั้งเปิดน่ะโลกทั้งโลกไม่เห็นมีอะไรเลยไร้สาระคนทั้งหลายนะไม่มีสติไม่มีปัญญาช่วงชิงอะไรกัต่ออะไรกันเป็นปช่วงชิงมาแล้ววันหนึ่งก็สูญเสียไปไม่เห็นมีอะไรเหลืออยู่ ได้แต่ความทุกข์ความเดือดร้อนที่ได้มาเนี่ยเราเรียนรู้ไปเรื่อยใจเราก็จะไม่โดดลงไปเล่นกับเขาขอบพระคุณครับอา้าวเชิญกลับบ้านหมดเวลา